นอนเอฉย ๆ, ๆ, ๆก็ทุกข์นอนอยู่ในมุ้งในหับในแอร์ใ น, ในฟูกที่นอนอย่างเลยกก็ยังนอนไม่หลับเพราะอะไรพอคิดทำไมจึงคิดเพราะไม่ได้สอนตัวเองให้เป็นระเบียบไม่ให้เป็นระเบียบเฉพาะเรื่องปรวนเปกันไปก็างคืนก็วอร์ฝันกงวัดก็วอาคิด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 อยู่ถ้าอยู่ขนาดนั้นมนุษย์คนเราเนี่ยมันมันตามได้มันไปสู่บายที่ไหนก็ได้ภูมิอะไรก็ได้อาบายะภูมิมนุษยภูมิือวภูมิจนสงจูงสดตีว่ามรรคผลนิพพานจนุดหมายปลายทางชีวิตเราจึงมีศาสนาให้เราปฏิบัติ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 กรก็เหมือนกันทุกก็เหมือนกันเกิดใจจะตายเหมือนกันร้อนหนาวเหมือนกันใีการมีใจปัญหาก็อยู่ที่กายที่ใจแก้ปัญหาก็แก้ที่กายที่ใจเนี่ยนี่จึงมามีสติใช่ไหมหัดให้มีก็มีสติไปในกายเป็นเจ้าของใช่ไ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 ควาคิดสุดโอโยอดยคิดในสารพัอย่างบ้าบวอไปทั้งหมดความคิดนะไม่เคยช่วยไม่เคยหกักไม่เคยห้ามไม่เคยมีสติบอว่ามีสติดูแลเรถูกก็ตือหรือหลดุดเพียนความคิดให้มีสติแปลว่าถูกที่สุดเพี่ยนความทุกข์มีสติเปียความไม่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 บาบคือความชั่วร้ายเศร้าหมอบุญคือใจดีบาบคือใจร้ายไม่รู้จักแค่้ก็เปลี่ยนไม่เป็ี่ยนแตที่ใจมันร้ายมาดุให้มันใจดีมีปิตาค ร, กราก็ไม่ได้ลงแรงอะไรเพียงเปลี่ยนหัดเปลี่ยนปฏิบัติธรรมมาคือทำอย่างนี้คือเปลี่ยนอย่างนี้ได้บวาทํ า, าบุญ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 พูดกับลูกชายเออั น, นี่กูด่ามันทีเด่นทำไมช่างหัวมันคื อ, อก็จัดไหมเขาเปล่ช่างหัวมันคือใครว่าช่างหัวมันจะไม่ทะเลาะกันนะไม่โกรธยาเลยตัวสัยไม่โกรธยยิ้มช่างหัวมันเจอละเขาว่าอะไรช่างหัวมัน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 พระเจ้าเผิญที่โกศลประกาศให้ทาหารถางไปจับองค์ธิมานข้ามาันจูดอนรอบบ้านเนีอบเมืองนีประกาศทั้งเมืองเลยเอาพระเจ้าก็นอประทับอยู่ที่เชตตะวันก็ได้ยินเรื่องนี้เพราะปัจจุบันเห็นอยู่ได้ยินอยู่ได้ข่าวอยู่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 เป็นเด็กเขาไม่ชื่อองคุลิมานะแต่ก่อนเขาชื่อว่าอหิงสักุมารอหิงสะกุ ม, มารมมบ้า น, านอุลิมาณ์นนกับบ้านอาถะพิธีกาเสตถีเท่ากันนะฐานะติดกั น, กนเห็นกันใกล้ๆกันเวลาเราไปดูสาวถีเนี่ยเชื้อตวันเนี่ยไปดูบ้านอาาุลิมาณกับบ้านอาถะพิติกาเสตถีนเนี่ย ไกลก็ไปดูนี่กองอิดใหญ่โตเท่าลู้เขาเร็กๆเนเะท่าเท่ากันกันกบนาถมินทรเสถียรพ่อก็ตั้งชื่อว่าเฮงสกะดกุ ม, มานไปโตขึ้นมาไปเรียนหนังสือเจ่งมากเรียนเก่งขั่วเพื่อน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 ต่อไปจะไม่มีใครมาเลี่ยนหนังสือจะไม่มีลาบสักหลัจะหาวิธีจะทำไงให้องค์ธิมานหนีจากที่นี่ไปตายซะอาจารย์ก็บอกว่าองค์ธิมานเรียนอะไรก็จบเดียววิชาเดียววิชาที่ต้องเรียนต่อไปนี้ต้องไปฆ่าคนให้ได้พันคนจึงมาเรียนได้ ถ้าไม่ฆ่าคนถึงพันคนเดียนไม่ได้วิชานี่เป็นสุดยอดที่สุดเลยองค์ขิหมานก็ขอร้องอาจารย์ว่าห้าพระชาตพพิตระกูลของรามผู้ลอยบาปในวิรามันดาวมเคยสอนจะทำได้กา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 พี่เจ้ายังคิดเสนอถูกเง่เราจะต้องไปก่อนก่อนที่พ่อแม่จะไปเราต้องไปก่อนในเช้าวันนี้นะเนีวุ้เจ้าจึงไปสเสด็จไปก่อนในป่านะตอนเช้าพอไปองควาลก็เห็นอยู่ก็เตรียมอยู่แล้วช็อตอมาวิง่งถือดบับลอยวุยเจ้าก็วิ่งนะอาจจะวิ่งนะ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 เราหยุดแล้วโอ้ยว่าเราหยุดแล้วเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดโอ้ยวาะสมนึกได้ขึ้นมาทันทีทิ้ดาบลงก้มร้องไห้กันทีเลยสํานึกขึ้นมาโอ้โถเกิดมาในโลกไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยจริงจิงเราไม่หยุดเลยเราฆ่าคนบานับรู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 แต่จะรูปเป้เนพระเจ้าโอ้ยไม่เคยได้ยินเลยอาจจะเป็นอง์นี่แหมังสมาลินี่แหละนอนโมบอยู่กับที่เลยพระเจ้ากเ็เลยกลับมามาแสดงถาให้ฟังอร่ยจับลูกขึ้น <c oughs> เตินตามพระเจ้าเข้าไปเชืตวันเชตะวัน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 ถ้ า, ถาองค์พิมานให้บวชเป็นพระจะทำไงพระเจ้าเสด็จพระสนถ้าบวชเป็นพระสงฆ์ข้าพระเจ้าก็จะกร า, าบไหว้ถวายทานให้โวถามเหมือนพระสงฆ์ทั้งปวงเพราะว่าศรัทธาต่อพระสงฆ์ ก็เธอปวดองค์สมามาปวดเนี่ยก็จะกราบจะไหวจะถวายจะกาลละให้กีวรให้บิณฑบาตดูดแลอุปถัมภ์เหมือนพระสงฆ์กันเดินพระเจ้าเลยขี้ไปองนี้องค์ขลิมานยนะปวดกันนั่นงกันเป็นรูปสูงสูงเนี่ยสูงสูงเนี่ยนั่งเนี่ย <laughs> ล่ะเพราะฝัน <laughs> <laughs> เป็นตะกูลพราหมณ์นะนั่นนะองคุริมันนั่งนั่นน ะ, ระ พ, พระเจ้าเผ่นดุกคนโอ้ยจำได้เลใช่แล้วใช่แล้วนะมันอยู่พระสาวถอก็กลกับตางถากิตตกาเตอเงสักกมุงกกมงสักุมา น, นใช่แล้วก็ เ, เลยกบองคุิมันบริวารทัาหลายก็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 ออกมาสนทนาธรรมตสี่ตีหกัดตรวจตั ว, ตวผู้ใดหน่องที่จะฟังธรรมได้ประวัติในพระโสดาเล่าเรื่องแต่ในจำเป็นอย่างไปโปรดิฉาทิตฐิมูนเน่นนะก็คิดเห็นอิเาทิติคนนี้ อาจาจะมีโอกาสวัลลุธรรมได้ไปโปรดไปโปรดคนนั้นไปโปรดคนนี้อย่างไปโปรดอยู่ที่เชื้อตะ ว, วันไปโปรดลูกสาวดางช่างป้นหม้ออย่างเนี้ยเพราะขี้จะช่วยคนนะเนี่ยช่วยคนทั้งโลกแบบเนี้ยจนมาถึงพวกเราทุกคนนี้เ<ม>พราะมีจริงจิง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 ไห้เพลี่ยนเป็นไม่โกรเป็นทุกข์เปไม่ทุกข์ทันทีเนี่ยต้องหัดสตินะที่จะเปลี่ยนมันก็มีความรู้ในโกลนัชิดไปกลับมามันชิดไปกลับมาปฏิบัติธรรมคือศรนคอยสอนชา ย, ายมันรู้อยู่เสมอนั้นก็ทําได้ปฏิบัติได้อย่างนี้นี่ว่าปฏิบัติได้ผลได้ไม่จํากัดการ หลังวสาธยายพระสวด ธ, ธรรมวัดเช้าจว่าขาโตพักป่าตาธรรมอุภะท ร, รมามอันพระผู้มีพระเจ้ า, าตัดไว้ดีแล้วดีจริงๆจะเพิ่มจะตัดก็ไม่ได้องหลงก็มีคนไม่หลงก็มีเท่านี้คู่กันเหมือนหน้ามือหลังมือเนียวลามันหลงเหมือนหนังมือไม่หลงเหมือนหน้ามืออย่างนี้ด้ยวยการมาพพ้่มกันแล้ว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 เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันมันก็เปลี่ยนได้เด็เห็นมีแต่เห็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรจุดยอดหลอยชีวิตของเรากระโดดเข้าไปเถอะเวลามันหลงให้มีกำลังแก่งกล้าทลาออกถึงความไม่หลง